ปฏิป ส, สัมเพตพระอัถารสกะว่าด้วยองค์18ของภิกษุที่สงพึงระงับปพาชนียกรรมหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหละคือหนึ่ง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 หมวดที่2ภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงระงับปัปพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ต้องอาบัติที่เป็นเหตุให้ถูกสงฆ์ลงปัปพาชนียกรรมอีก 2. ไม่ต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกัน 3. ไม่ต้องอาบัติที่เลวทามกว่านั้น 4. ไม่ตำหนิกรรม 5. ไม่ตำหนิภิกษุผู้ทำกรรมภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปรปพาชนียกรรมแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปปพาชนียกรรม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 ไม่โจ์ภิกษุอื่นเจ็ดไม่ให้ภิกษุอื่นให้การแปดไม่ชักชวนกันก่อความทะเลาะภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงระงับปับพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แลปฏิปสัสสามเพตพะ อัธารสกะในปบพาชนียกรรมจบ